เมื่อวานนี้มีหลายคนนะได้เฮกันที่ได้เฮเพราะว่าลอตเตอรี่ออกนะมีคนหนึ่งเฉพาะรางวัลที่ได้จากการซื้อเลขท้ายสองตัวนี้ได้เป็นล้านนะพอก็ซื้อห้าร้อยใบซื้อไอซื้อเลขเดียวกันนั่นแหละนะสองสองเนี่ยห้500าร้อยใบได้เป็นล้านล้านกว่านะล้านห้ามัง้งอีก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 อย่าว่าแต่ใบเดียวเลยแม้กระทั่ง10ใบที่ลงเอ้ยได้ความทุกข์ก็เยอะเพราะว่าเงินที่ได้มามันกลายเป็นทุกขลาบอย่างเมื่อ1ิปีที่แล้วก็มีพ่อค้าเร่คนหนึ่งได้ะะรถตัวเียกวันที่หนึ่ง20ล้านบาทซื้อหลายใบยก็คิดว่าชีวิตน่าจะพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าแกก็ยากจนมีแค่รถ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 ลูกสาวช่วยไปได้ทันตอนหลังทันแล้วก็ไปสัมภาษณ์แกที่โรงพยาบาลนะแกก็พูดประโยคนึงว่าตอนเป็นพ่อค้าหาเบเร่ตอนเป็นพ่อค้าเร่หาเชากินข้ามเนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนมีความสุขกว่าตอนที่ได้ถูกลอตเตอรี่บางคนได้โชคได้ลามากกว่านี้นะสองเท่านะี่ล้านบาทเมื่อประมาณตัก2สองปีที่แล้วเป็นข่าวใหญ่ประมาณเดือนพฤศจิก ป, ปี5้าหรือไงเนี่ยห้าห้า บอกว่าไม่กี่เดือนต่อมาก็เป็นข่าวนะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุตายต้งตายั้งสองคนเลยทั้งผัวเมียอย่างนี้จะเรียกว่าโชคดีไหมถูกลอตเตอรี่46ล้านบาทแล้วไม่กี่เดือนต่อมาก็ตายเราคงไม่เรียกว่าเขาโชคดีแน่ไอตอนถูกก็โชคดีนะแต่ว่าพอตายไปมันไม่ใช่แล้วเพราะั้นการที่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 นใครที่บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อนี่ไม่ปโปรดเลยนะหลวงพ่อนะไปทั้งทีไม่ให้ช่วยให้ลูกได้ถูกลอตเตอรี่เลยนี่นะควรจะมอนในแง่นี้ว่าเนี่ยท่านสอนเรานะเพราะถ้าเกิดเราถูกขึ้นมานะสองสามก็ดีเจ็ดเจ็ดแปด ก, ก็ดีสี่ห ก, ก็ดีนะคนจะรุ่มหลงมากขึ้นนะแทนที่มาสนใจคำสอนก็ไปสนใจ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 แทบจะไม่ค่อยเห็นท่านพรมน้ำมนเลยท่านเล่าว่าก็เคยมีนะตอนสมัยที่อยู่ท่ามาไฟามีชาวบ้านคนหนึ่งเป็นถูกชาวบ้านถูกขับไล่เพราะเป็นผีปอบตัวเองก็คิดว่าตัวเองเป็นด้วยซ้ํา น, นะท่านก็รับมาอยู่วัดก็ให้ถือศีลเขาก็ยังรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหมือนกับว่าผีเข้าก็ขอหลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้หน่อยหลวงพ่อก็ทําอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษนะแต่ว <st> ่าเรื่องโดยทั่วๆไปแล้วท่านไม่ทําเลยนะ เพราะทํานไม่อยายคนมาลุ่มหลงกับเรื่องเรื่องแบบนี้ฉะนั้นที่แต่ก่อนที่ท่านเป็นหมอธทำเคยพาคนลุ่มหลงมาแล้วและตัวท่านก็ลุ่มหลงเองนะเป็นหมอทำนี่ท่านก็ไลผ่ผีนะทำคลอดหรือว่ า, ารักษาคนที่เจ็บป่วยด้วยด้วยน้ำมนต์น้ําหมากนะได้สายศินของหายท่านก็นั่งทางในนะช่วยเขาหาจนเจอ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 เคยทำเรื่องพวกนี้มาอย่างโชคโชนนะตั้งแต่อายุสิบเจจนถึงสาสบนะแต่พอบวชแล้วนะท่านพบว่าสิ่งที่ประเสริฐมันสิ่งได้พบสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นมากนะก็คือพระธรรมสัจธรรมนะสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนนี่ท่านพบว่ามันวิเศษมากนะท่านทิ้งหมดเลยนะถ้าท่านมาเอาดีทางนี้นะหรือว่ามีกลิ่นอายทางนี้บ้างก็คงจะเป็นพระรวย นะแต่ว่าท่านก็พูดว่าเนี่ยท่านเป็นพระจนนะ้ะจัดงานศพก็ให้จัดแบบพระจนนะอย่าฟุ่มเฟือยนั้นก็ดีแล้วนะที่ใครก็ตามที่ไปซื้อหวยนะถึงไม่ซื้อถึงไม่บอกก็รู้นะว่าขายบ้างเนี่ยนะไม่บอกก็รู้นะก็ให้รู้ว่าเนี่ยท่านสอนเรานะอย่าไปเสียใจว่าหลวงพ่อไม่ให้อะไรเราเลยนะหลวงพ่อให้มาต้องเยอะแล้วที่จริงแล้วก็เนี่ย ท่านก็กำลังจะสอนเราว่าอย่าไปรุ่มหลงกับมันนะเกิดถูกขึ้นมาเกิดเลขท้าย2อสนี่หรือ78ขึ้นมาโอ้ยลูกศิลุกศิลฐาก็คงจะลุ่มหลงไปหลงว่าท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์มีทธิรปฏิหารก็จะยิ่งไกลจากหลักธรรมคาสอนงท่านมากขึ้นที่เพราะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อไปแล้วก็เสียงเงินไปก็ก็เรียกว่าสมควรแล้วนะเพราะว่าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นให้รู้ว่าอ่าอย่าไปฝากความหวังไว้กับสิ่งนั้นนะฝากความหวังไว้กับ พระธรรมคำสอนดีกว่าอันนี้ก็คือคำสอนที่ท่านฝากไว้นะให้กับเรานะึน่งในวันออกลอตเตอรี่น ะ, ะก็เตรียมรับพรได้